Book หนึ่งร้อยคำวิเศษอธิบรรพเคยยังไม่เคยนู่ no n g ั n g aldrig คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง ไม่ยังไม่เคยเลยค่ะใครไม่มีใครนูองคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะชนไม่ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ n e ก j ิ g k ีกไม่นานอีกเนาะอ n i ไ i ่เลงิ a n e n n ย i ง k e l ่ n g ่นอีกนานคุณอยู่ีอกไมยู่ที่นี่อีกนานไหมจะอยู่ที่น a ่อีกนาน e ห s จะอยู่อไมยู่ที่นี่อีกนานไหมอยู่ที่นี่อีกไม่นนานอยู่ที่นี่อีกไมะ่นานไ่ะไยกก อะไรอีกไม่อีกแล้วลิททิลไม่ก็หนูมคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมวิลดูหาลิททิลไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะไหนทักย้าย i ิลก็หาเมอร์อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย a l r e d e นู่เอไม่กี่นู่เอคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม h a r d u a l l e r e no ไม่ p i s t noe? ไม่ทา่ฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะไ no no. ม่ฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยคม่ฉอคนมรคอรไม่มคอคไม่มรคอรลอล มีใครอยากรับกาแฟอีกไหมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมคอีกไมคมีใครอาีกไมยแฟอีไมคือมีใครอกราีกไมีแีไมคอมีใครอีกไหกราแไคีไม